ในเช้าวันนี้เราไม่มีการเดินเพราะว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในชาวบ้านก็่ได้มีการประกาศเขตอนรักผ่านป่าอันนี้ก็เป็นการประสาน รวมมือกันระหว่างธรรมยัตตราแล้วก็กับชาวบ้านทางวัดรวมทั้งออบาตอที่เป็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์ท้องถิ่งเอาไว้ก็จะเป็นการประสาน ร, ร่วมมือกันระหว่าง ธรรมะธรรมชาติก็ว่าได้นะเพราะว่าการที่จารุรักธรรมชาติไมไ่เป็นป่าหรือว่าสิ่งสารร า, าตัตว์ตามเนี่ยก็ต้องอาศัยแรงผลักแรงสนัสนุนนะจากาศาสนาด้วย เกิดคประการเป็นแข่เป็นทารนนะ์คนก็เกิดความรู้สึกเคารพหรือว่าจำเกรงไม่กล้าที่จะไปะทำร้ายสัตว์มันก็ทำให้สัตว์เาราหน้าร้องธรรมชาติก็จเจริญงอกงามนันอยู่เพียงเป็นสุขได้ อาศัยาบารมของธรรมะใช้าาบารมของศาสนาให้เช่วยคุ้มครองอาธรรมะก็เป็นหนุนตธรรมชาติและกาเดียวกันธรรมชาติก็นหนุนธรรมะให้เจอง้อ ง, งามขึ้นในใจของผู้คนได้อนนี้ก็ยังมีการพูดคุยเซเากันาด้วยนะถึงเรื่องของ เศรากรรมของรุ่นน้ำาลัปปะทาวเปลี่ยนเที่ยงแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าอนาคตแล้วหลายคนก่อนหน้าเที่ยมเดือนปะทาวเดยนธรรมยาตาเนี่ยเราะทาวก็เป็นมันก็สิ่งไกลตัวไห้ไกลจากความรับรู้ เราก็จะไม่ได้ถ น, นักถึงความสำคัญแต่เมื่อเราได้มาเดินได้มาเหยียได้มาย่าได้มาร่วมรับรู้ทุกสุขแล้วก็ได้เป็นกระจักพยามของสภาพความเป็นจริงในลำปทาวทั้งที่เป็นธรรมชาตินะลำพุ่ย ป่าเขาแล้วก็ทั้งที่เป็นชุมชนผู้คนในประสบการณ์ของเราก็จะมีท่านี่น่าจะมีส่วนช่วยให้การเสรวนาครั้งนี้มนะัาเกิดประโยชน์ขึ้นมาทาเดียวกันการเสรวนาครั้งนี้เนี่ยซึ่ง จะทำให้เราเห็นภาพรวมของเราประทาวตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ำปลายน้ำมันก็คงจะทำให้รายละเอียดเล็กๆน้อย ๆ, ๆที่เราเห็นในแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นเราเห็นรายละเอียดแต่ไม่เห็นภาพรวมมันก็ มัเก็เห็นได้ชัด น, นะถ้าเราเห็นภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็คงทคำให้เราได้รู้จัก ส, สังคมไทยบ้านเมืองเรานีขึ้นเพราะว่ารุ่งา้างลำบากาเนี่ยมัก็เป็นเป็นส่วนยอ่อของปัญหา ธรรชาติในเมืองไทยรุ่นลงมือก็คงมีปัญหาไม่ต่างจากกันและถ้าเราได้เข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของลาบาะทาวก็คงจะปบกตอกย้ำสำนึกของเราความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสภาพของบ้านของเราของทั้งประเทศได้ดีขึ้น วันที่สองที่เรามีการสนทนากาันภายในกลุก่มวันที่สองการเดินธรรมญาติเนี่ยราเป็การสนทนากันเือบางท่านก็บอกว่าเนี่ยมาจากกรุงเทพเนะี่ยไม่เคยรับรู้เลยว่าสถาน ท, ที่แห่งนี้หรือว่าเขาคู่คกองอาบัติาวเนี่ยรวมทั้งที่อนังสอด้วย จ, าจาังหวัดนังสือในเขามีปัญหาเรื่องงานอย่างไรบ้างเพราะว่าอยู่พรุนเทพ มีน้ำใช้ตลอดเวลาอนะาจจะยกเลื่องก่อประเทศชาติชาญเลยการอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหวเนี่ยในแง่หน่ก็ทำให้เหมือนกับ ป, ป, ปิดปิดตานะเพราะว่าเราไม่ได้รับรู้ว่าที่อื่นเขมีัฒนานยังไงบ้างและที่อื่นนี่มันก็เป็น โ, โจว์ใหญ่ของประเทศเลยนะที่พอเราได้มา เาได้รับรู้ปัญหาของผู้คนทั้งประเทศผ่านจากผ่านการได้รับรู้ประสบการณ์ด้วยตัวเองจากการมาเดินทางในดานการเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามีความความเข้าใจในบ้านเมืองของเราดีขึ้นหรือ อาจจะเปนความเข้าใจในสถาการณ์โลกหรือว่าในเรื่องของธรรมชาติแวดลอ้อมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งขออย่างหนึ่งนะของการมาเดินทํายวแยตราคือต้องจากจะมารู้จักเวลมากขึ้นนะเห็นเพชัดเจนขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ยังมารู้จักบ้านเมืองของเราประเทศของเราอันนี้ก็เป็น ตัวงนะของการที่จะช่วยเราใช้ชีวิตางมีคุณค่ามากขึ้นจะมีประโยชน์เพราะว่านอกจากการดูแลตัวเองแล้นี่ยเรากดูแลส่วนรวมดูแลชุมชนของเราอย่างที่พูดไปแล้วว่าเรื่องของชาวบ้านว่านอกจากรักษาตนแล้วทางรัฐต้องรู้รจักรักษาผู้อื่นด้วยรักษาผู้อื่นในชนิดต้องหลายรายการ เส่อเวนเรื่องของที่ถึงส่วนตัวอันนี้เช้านี้เนี่ย <c oughs> การที่เราไม่ได้เดินมันก็เป็นการพักไปด้วยอันนี้เป็นจุดชี้หมายหนึ่งของอกิจกรรมในเช้าวันนี้ก็ <c oughs> คือให้เราได้พัก หลังจากที่เราได้เดินติดต่อเนื่องกันมา6วันเดินเมื่อวานนี้ก็เป็นการเดินที่หนักที่ใกลที่สุดการพักเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเรื่องมีแรงมีก็เามองชาที่จะเดินต่อไปการเดินช่วงบ่ายวันนี้เป็นการเดินช่วงสุดท้ายของธรรมญาตราเมื่อวานนี้หลายคนก็ ผมรูสึกเหนื่อยล้าแต่เมื่อได้พักนอนพักเ ม, มื่อคืนนี้ก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าตอนช้าได้พักอีกช่วงหนึ่งก็เชื่อว่าจะมีทั้งกำลังใจแล้วก็กำลังกายในการที่จะ เดินไปถึงจุดปลายปลายทางซึ่งก็ก็ไกลแต่ว่าไม่เท่าเมื่อวานละ9กนะิโลเมตรสำหรับตอนบ่ายวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากสรับเราต่อไปถึงแ้ว่าจะเป็นทางาทางขึ้นก็ตามเรากำลังจะขึ้นเ่ออีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเราก็ลงเขามา เราลงเขาต่อ่มาสองวันแล้วมองคนนี้ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่ามาถึงพื้นล่างแล้วจนท่านได้ไปเห็นภูเขาเมื่อวานเห็นภูเขายาวเหยนถึงเมื่อเราลงมาข้างล่างนะตอนอยู่บ้านเพื่อชิลองเหนือนี่ล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตลังลงมากับเขา แต่ตอนนี้เราก็ก่อนจะขึ้นไปคั้งหนึห่การที่เราได้พักเนี่ยก็ช่วยทำให้เรามีเรื่องดีแรงมากขึ้นทําให้การเดินสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้ให้มองในแง่นี่การพักเนี่ยก็เป็นส่วนของการเดินคนมักจะคิดว่าการพักกับการเดินหรือการพักกับการทํางานเนี่ยมันเป็นตัวส่วนกัน จะเดินให้ได้ดีจะเดินให้ได้นานได้ไกลเนี่ยมันต้องมีจับทัง อ, อย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเราเดินตะลุยไปไม่พักเลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเดินถึงหรือเปล่านะเราจะเดินถึงบ้านนาฝายหรือเปล่ายี่สิบสามกิโลแต่เป็นพเพราะเลยได้พัก ทุกชัก่วโมงทุกชั่วโมงมั น, นทำให้เราสามารถที่จะเดินมาถึงได้บางคนจะมองว่าการพักเนี่ยมันเสียเวลานะมันทาให้ถึงช้าลงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกับตรงข้ามนะในการไม่พักต่างหากที่ทาให้ถึงช้าลงจะไม่ถึงเลยก็ได้ สายค่งอยากถึงเร็วเร็วเช่นเวลาขับรถเนี่ยขับรถอยากถึงเร็วเร็วก็เร่งเต็มที่ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบถ้าบ่อยครั้งเนี่ยมันกลับถึงช้าช้ากว่าตอนที่ขับ80ดสิบเนร้อยหนึ่งมันช้าเพราะอะไรมันช้าเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะชนกันบ้างรถ อย่างแต่งลดความเบนะืถึงเร็วกลไปถึงถึงเร็วขับเร็วกลับถึงช้านะขับช้ า, ากับขับถึงเร็วการเดินก็เหมือนกันนะเดินเนี่ยบางคนอยากทิ้งเร็วๆก็รีบจำจำจำจำจะพักก็ไม่ยอมพักเพราะว่ากลัวเสียเวลานะถ้าเดินแบบนี้เนี่ยถึงช้านะเพราะว่า เดี้ยนก่อนะหรือไม่ก็รองเท้ากัดมันมีปัญหาสารพัดยินะ่งเดินไกลเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนะต้องเดินให้ช้าลงนะเดินช้ากลับถึงเร็วนะเดินเร็วเนี่ยกลับถึงช้า เดินช้าเนี่ยก็รวมถึงการที่เราจับพักด้วยคนสบายีใจร้อนทำอะไรก็อยากจะให้เสร็จเร็วๆถ้าเดินทางพี่ยอกถึงเร็วๆก็เห็นว่าการพักเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง หรือเพื่้กว้ามหรืเป็นส่วนของการทํางานด้วยเราทํางานนะถ้าเราทําโดยที่ไม่พักเลย ก, ก็กลัวจะเสียเวลาก็อาจจะทําไม่เสร็จหรือว่าทำไม่ดีเพราะว่าสมองล้าไม่ว่าจะเขียนหนังสือไม่ว่าจะคิดงานถ้าไม่พักเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าผลงานเนี่ยกลับออกมา น้อยแล้วก so, so yeah. ็ไม่ดีแต่ถ้าได้พักสักหน่อยนะได้มีสักหน่อยมันก็ทําให้มีเรี่ยวมีแรงสมองก็คิดได้กรู้โปร่งมากขึ้นใช้เวลาน้อยกว่าแต่ว่างานได้มากกว่าหรือว่างานดีกว่าด้วยนี่ตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะได้20วันนะ ถ้าเราไม่พักเลยเนี่ยเราก็จะล้ามากขึ้นล้ามากขึ้นสปีดเราก็จะช้าลงช้าลงช้าลงเดินรวดห้าชั่วโมงโดยไม่พักเลยนอกจากคนเดินจะทุกข์แล้วไงระยะทามก็ไปได้ไม่ถึงไหนแต่ถ้าเราเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วพักนะ ก็ทำให้มีเรื่องมีแรงที่จะเดินต่อไปในชั่วโมงหน้าไปไปม า, มาเนี่ยอาจจะถึงที่หมายก็ใช้เวลาน้อยกว่าก็ได้แค่น่านที่พักบ่อยกว่าแต่ถ้าพักบ่อยตัวกายก็ไม่ดีนะมันก็ไม่สมดนกันความสมดุลความพอดีนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะความสมดุลระหว่างการพักกับการเดินหรือการพักกับการทำงาน ที่พูดนี้นไม่ได้มายถึงพักกายเดียวนะรวมถึงการพักใจด้วยพักกายนี่ต้องหยุดนะแต่พักใจบางทีกาทํางานนะแต่ว่าใจเนี่ยมันได้พักพักกายเนี่ยต้องหยุดกายหยุดทํางานแต่พักใจเนี่ยมันสามารถจะทําได้พร้อมๆกับการทํางานนะ แต่สำหรับผู้มาม่งทีก็ต้องหยุดงานด้วยเช่นมาเช่นจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องหยุดงานเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมาธิภาวนาะซึ่งก็เป็นการพักใจที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ถ้าเรารู้หลักของการพักใจแล้วเนี่ย ถึงวเวลาทำงานแล้วก็สามารถทํากู้ด้วยทำด้วยพักไปด้วยพักใจให้ถือรู้จักวางนะรู้จักวางตัวก็ทํางานไปแต่ใจนี้วางวางอะไรบ้างนนั้ก็จะวางจุดหายปลายทางไม่ต้องอคํานึงว่าเมืม่อไรมันจะเสร็จเรื่องลืมมไปเลยอยู่กับปัจจุบันวางอาดีตวางอานาคตนะ อดีตจะเป็นอย่างไรอุปสรรคมากแค่ไหนเคยโลกเดกยวกันครั้งก็วางเไว้ท่างหน้านี้มันจะยากจะลาบากยังไงก็ยังไม่ต้องสนใจอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่ารู้จักวางในะขณะที่ทางานอันนี้เรียกว่าทำกิจแล้วก็ทาจิตไป พ, พร้อมๆกันกิจก็ทา อาศัยกายทากิจส่วนจิตเนี่ยก็วางนะวางความคาดหวังการทําเนี่ยมันก็จะการทํางานก็จะกลายเป็นเรื่องที่สร้างความเคื่องน้อยลงเพาเราถ้าเราทําเป็นเนี่ยนะแม้เราทําเป็นทีนะ่แต่ว่าใจก็สบายก็ได้ถ้ว่าใจสบายแล้วก็ทําให้ทําได้นาน อาตมามีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นเป็นพระชาวเซนโดยพระชาวบริการแตนิการเซนอยู่ที่ซานฟรานซิสโ ก, บกเบอร์เกลใกล้ๆกนันเขาเล่าถึงอาจารย์ของของแก่และซึ่งเป็นพระเซนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัดเซนแห่งการบริกาชื่อ ชินเรียว ส, สกีท่านชินเรียวนี่มาสร้างวัดเซนแห่รกในเียดาตอนที่อายุมากแล้วหกสกว่าแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ดีนะแต่ว่ามีรู้ศิลป์ที่เป็นอเมเรียกันเยอะซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุมสาม ต, ตอนที่มาสร้างวัดนี่ก็ต้องทำงานกันเองไม่มีเงินจ้างบริษัทก่อสร้าง ผลหินผลไม้ผลที่กันเองลูกศิษย์นี้ก็มาช่วยผลตัวใจกันทั้งนั้นพวกที่เป็นพวกที่ปฏิเสธทนนิยมบริโภคนิยมามาสนใจเรื่องของจิตวิญญาณความรู้เยอะแต่ว่าท่านมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาะก็มาช่วยผล คนไม่ได้แค่รื่งวันก็นเหนื่อยนะผรงข้ามอาจารย์อายุมากหกิกว่าโตัวเล็กก็ยังทำได้ทั้งวันลูกสิษก็แปลกใจถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำได้ยังไงอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกสิษก็งงนะ เพราะเห็นอาจารย์ทําทั้งวันอาจารย์ที่ว่าอาจารย์พักทั้งวันคือพักใจกายนี่ก็ทํางานนะกายคนถิ่นแต่ว่าใจก็ไม่ได้คนถิ่นไปด้วยใจไม่ได้แบกความทุกข์ไปด้วยใจนี่ได้พักตลอดเวลาถึงแม้ว่าทํางานไม่หยุดก็ตามอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะที่น่าสนใจมาก ซึ่งจะทำได้ในงองสายการรูอจักทำจิตวางใจให้เป็นก็คือในอาณิที่ทางานก็ใจก็ดูกายมันทาไปแล้วกายแล้วสิ่งที่แบ่งจะหนักเกิดความปวดความเมื่อใจก็ดูใจก็ดูใจก็รับรู้ว่า ก, กายปวดกายเมื่อยแต่ใจไม่ได้แบบ่งความปวดความเมื่อยไปด้วย ใจก็ยิ่งเต้นผักคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลากายโกแกรกิ่งใจก็แบกทุกไปเรืยเรื่อยไม่ได้ผักมันยี่ก็แบกความคาดหวังอยากให้เสร็จเร็วๆการแบกความคาดหวังนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะอยากให้เสร็จเร็วๆอยากได้นู่นได้นี่อยากแม้แต่ปฏิบัติธรรมอยากจะสงบเร็วๆนี่ก็แบกเหมือนกันการแบกทําให้ทุกข์นะ ที่ราตรวจใสักครู่เนี่ยการแบกถือของหนักเป็นครามทุกในโลกของหนักเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็นหินบางทีมันเป็นสิ่งที่มันเป็นนามธรรมก็ได้นะเป็นนามธรรมความคาดหวังอดีตอนาคตนะพอแบกแล้วเนี่ยมันก็หนักหนักที่ใจใจถ้าเรารู้จักวางใจนะ วางใจคือปล่อยวางเป็นใจก็ได้พักกายทำไปใจก็พักก็ทำให้ทำได้นานทำได้นานด้วยและใจก็ไม่ทุกข์ด้วยอันนี้อาจารย์ชุนเรืองแสดงให้ลูกศิษย์เห็นนะไม่ใช่ด้วยการเทศแต่ด้วยการกระทำซึ่งทำให้เห็นความสําคัญ์ของการรู้จักปล่อยวาง การปล่อยวางเนี่ยมันเป็นการพักใจปล่อยวางไม่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้แปลว่าง่งเฉยไม่แปลว่าปล่อยฝาแล้วเลยตัวก็ทำงานนะแต่ว่าใจปล่อยวางใจไม่แบกไม่แบบเอาความภาดหวังไม่แบบและกระทั่งทุกเวทนาความโกรความเมื่อยที่เกิดกับกาย ก็แค่รู้เฉยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ของไม่คยได้ก็ไปแต่งมาแล้วว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเสมอนะเวลาปวดเนี่ยกลายเป็นปวดนะแต่ว่าอย่าไปหลงคิดว่าเราเป็นผู้ปวดหลงคิดมาแล้วว่าเราเป็นผู้ปวดนี่มันปวดจริงๆนะใจกายปวดแต่ไม่ใช่ผู้ปวดเห็นกายปวดไม่ใช่ผู้ปวดหรือไม่เป็นผู้ปวด เห็นอย่าก็ไปเป็นนี่คือความหมายนะเห็นแต่ไม่คอยเป็นคือเห็นความปวดความเมื่อแต่ไม่คอยเป็นผู้ปวดผู้เมือ่อถ้าคนเราเนี่ยถ้าเราวางใจแบบนี้ถูกเราทํางานอะไรเจอุปสระสทแท่ไหนใจก็ไม่ทุกข์นะก็ยังมีเรื่องมีแรงทําต่อไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่ท้อนะท้อกับอะไรท้อกับประสัดท้อกับปัญหาปัญหามันเยอะเหลือเกิน เยอะจริงๆหนักไม่ไหวแล้วที่ยิงปัญหานี่ไม่เป็นตัวการทําไม้ทุกนะแต่เพราะใจที่ไปแต้มอารมณไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางลงบ้างเ<ๆ>คยมีนายตำรวจคนหนึ่งเป็นนายตำรวจที่ซื่อสัตย์นะแต่แกมีความทุกข์มากนะวันหนึ่งก็ไปปรึกษากรงพ่าชาถูกพัดโทด วันหนอกประปงสามสิบปีสี่สิปีมานล้วก็บนระบายความทุกข์เพราะว่าถูกกันแกล้งคนที่กันแกล้งก็ไม่ใช่ใครเจ้านายเพื่อนร่วมงานทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่ได้เลื่อนท่านเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนร่วมงานก็หักหลังหรือไม่ก็เลื่อนขาเตัวเองแทงข้างหลังเจ้านายก็กันแกล้ง แกก็ทอ ม, มากก็บน่นก็ระบายผมอยากจะอยากจะลาออกจากราช ก, การหลวงพรอชา้าก็ฟังไม่เคยพูดอะไรจนตั้งแก่ระบายเสร็จหลวงพ่อช้าก็ชี้ไปที่ก้อนถินที่วางไว้ที่อยู่หน้ากระตูถามว่าเห็นหินก้อนนั้นไหมเห็นครับหนักไหมหนักครับ แบกไหวแบกไหวไหมแบกไม่ไหวครับเออไม่ไหวกรอย่าไปแบกมันนะพอพูดเท่านี้เนี่ยในพวกเรานี้ก็ได้สตินเลยนะก็คือไปที่ตัวงทุกขนเพราะไปแบกปัญหาทุกข์เพราะแบกปัญหาปัญหาไม่ใช่ทำให้ทุกข์เหมือนก้อนหินไม่ได้ทำให้เราทุกข์ต่อเมื่อเราไปแบกมานราถงจะทุกข์ปัญหา มีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้แบกถึงผู้ยานุปัะนามีไว้แก้ไม่ได้อยมีไว้กลุ่มนะไม่ได้มีไว้ให้กลุ่มมีปัญหาก็แก้ไปแต่อย่าแบกมันรู้จักวางมันลงบ้างอย่างพวกเรามาทํา่าตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในที่ทํางานปัญหาในบ้านแต่ถ้าเราไม่รู้จักวางมันในการเดินทำย่ายตานี่ก็สร้างความทุกข์มา ทุกท้ากายทุกท้องใจการปล่อยวางการอยากปล่อยวางนี่ก็สําคัญนะมันเป็นมันช่วยทาให้ใจได้พักทําให้ใจได้พักและการทำอย่างนี้เ น, เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในลองที่ทํา ง, งานใช่ลองที่เดินลองที่เดินก็ได้พักไปแต่ละ 9, ก้าวแต่ละก้าวด้วยนะไม่ใช่เดินเป็นที่บูแคมเสร็จแล้วก็เหนื่อยหอบแพ้แท้แ แต่แล้วก็จะไม่ต้องพักก็พักนานด้วยแต่ถ้าเราเดินเราเดินเราเดินช้าๆแต่และแต่ละก้าวแต่ละก้าวเรได้พักไปในตัวนะคือพักใจแล้วมันก็เป็นการพักพักกายอยู่ด้วยเพราะเราไม่เร่งไม่รี บ, ไ ม, รบไม่ดีดจำแต่เราเดินเขาเนี่าขึ้นเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเขามันก็เป็นทางที่ค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นถ้าเราเดินไม่ต้องรีบเดินช้าๆอยู่กับปัจจุบัน จุดหมายที่ปลายเท้าแล้วใจงีมันจะรีบนะเพราะรู้ว่ามีน้ำตกน้ำตกเราอยู่นะตากโตนอยากถึงเร็วๆนะแต่นี่มันสี่โมงครึ่งแล้วนะยังไม่ถึงสักทีจ้าใหญ่จ้ามจ้า น, นี่ยิ่งเหนื่อยกว่าใหญ่นะลืมลืมน้ำตกไว้ก่อนลืมจุดหมายปลายเท้าก่อนเดินแต่ละก้าวอยู่กับปัจจุบัน สนใจแต่ก้าวแต่ละก้าวิธีนี้ทําให้ใจได้พักพอใจได้วางจุดหมายปลายทางจะได้วางความคาดหวังแล้วนี่มีความปดวดขา ม, มื่อใจก็ดูมันไปดูด้วยสติ <c oughs> ก็จะทําให้การเดินของเราเนี่ย <c oughs> เป็นการเดินที่ถึงจุดหมายปลายทางได้ได้ทันเวลาแล้วก็ไม่ทุกข์ด้วย อันนี้เลยว่าเดินช้ากลับถึงเร็วนะแต่ถ้าเดินเร็วนี้ก็จะถึงช้าอันนี้มันก็เป็นเอามาใช้กับการทำงานกับการดำเนินชีวิตของเราได้เหมือนกันแล้วก็ฝากไว้เท่านี้นะช้านี้ฝากพบะองคกันอะฮัมซะมาข้าพุทธข้าพรวา โคตังพระวานตัอะิวาเทสวะขาโต a ระขวานต a งนะโมนามนัสสังสุปติปันโนพรวโตสวะกะสังโฆจันทน์นามา